เวลาเราไปทําถนนหนทางเนี่ยเราจะเห็นเขาสนับสนุนการปลูกต้นไม้นะถ้าถนนมันโล่งเลยมันจะดูไม่ดีมันต้องมีการพักผ่อนหย่อนสายตามีอะไรที่จะไมมันคลายเครียดคราเหงาที่จะมีต้นไม้เยอะต้นไม้สีเขียวนะ มากมากอย่างถนนที่ฝรั่งเขาชอบไปที่อยากเด่นชัยไปสีสัต์ชนาลัไเนี่ยที่เป็นอาณาจักรขอมโบราณเป็นมรดกโลกนะเส้นทางนั้นจะเขียวคนชอบไปมีแต่ต้นไม้ดูดีนะแล้วถ้าเต้นถนนที่ได้รับรางวันเด่นเด่นเนี่ยมีแต่ต้นแขอยอยู่ทางจากองค์ายไปทาง ถ้าบ่อทั้งสีเชียงใหม่มันเป็นถนนที่ได้รับรางวัลทุกปีทุปีเพราะว่าเขาลงทุนเอาต้นข่ต้นใหญ่ๆนี่มาปลูกดิมทางเวลาพาลูกหลานขับรถผ่านไปจะมีตัวการ์ตูนเต็มไปหมดระหว่างทางคือเขาดัดต้นไม้นะไม้ดัดต้นใหญ่มีพระพุทธรูปมีโดเรมอนมีช้างมีเสือ มีงูมีพญานาะคมีอะไรเนี่ยเด็กมันสนุกนะระยะทางเป็นสามสี่ห้ากิโลเมตรมันมีแต่ตัวการ์ตูนนะเด็กนั่งรถไปกับพ่อกับแม่ก็มีความสนุกโอ้ยอันนี้เป็นอันนั้นนะ น, นั้นเป็นอันนี้นะนพอปีใหม่มาบางทีเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นรูปใหม่รูปแมวรูปวัวรูปช้างเนี่ยเวลาขับรถผ่านเส้จ น, นั้นมันรู้สึกว่ามัน เหมือนผ่านสวนสัตว์ต้นไม้นะก็ทำดีประเทศไทยนี้จะมีเห็นที่เดียวนะมั้งถนะ้าไปทางเหนือทางสารพีจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นยางเท่าสองคนโอบสามคนโอบนะสมัยเขาปลูกราชการที่ห้าท่านปลูกนะสมัยท่านคุ้นกับเจ้าดารารัตเมีต้นไม้มันก็ใหญ่โตแนะม้มันขวางถนนนะถนน น่าจะทำเป็นสี่เลนก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าในหลวงท่านปลูกไว้ก็ดูดีสวยงามมตีต้นใหญ่ๆญ่เรียงหลายเป็นหลายกิโลเมตรนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราปลูกเราลือ้อปลูกลือ้อปลูกลือ้อปลูกลือ้อคือไม่มีความมั่นใจอะไรสักอันทุบทิ้งอยู่เรื่อยแต่ถ้าตัดแล้วมันดูสวยงามดูดีมีประโยชน์ ดูแล้วมันสวยนะแต่ถ้าไม่ตัดไม่แต่งเนะี่ยมันไม่สวยไม่งามก็ต้องอาศัยการตัดแต่งถ้าตัดแต่งแล้วมันสวยมันงามจริงจอยากพูดเรื่องยาวๆหน่อยนะชีวิตนี่ถ้าเราไม่รู้จักตัดแต่งพันธุกรรมของพฤติกรรมชีวิตเนี่ยจะยากนะมนุษย์ทั่วไปรู้จักประดับตกแต่ง ของที่เราเห็นด้วยตาประดับตกแต่งตัดต้นไม้นั้นตัดแต่งกันนั้นอันนี้ตัดเสื้อตัดผ้าตัดอะไรต่างๆแต่เราไม่เคยรู้จักตัดแต่งพฤติกรรมตัดแต่งพฤติกรรมจนกระทั่งลึกลงไปถึงการตัดแต่งพันธุกรรมที่ทําให้เกิดกรรมนะเกิดการกระทําขึ้นมาเนี่ยทั้งโลกในแค่ตัดแต่งอะไระ การกินเหล้าเมายากันพฤติกรรมที่ไม่ดีนะพฤติกรรมที่เป็นอกุศลข้างนอกน้อยๆเนี่ยเขายังรู้สึกเจ็บปวดนะแต่ผมเล็บฟันหนังเนี่ยเขาจะตัดแต่งเรื่อยๆตัดแต่งที่มันยั่วยวนกีดตันหาสนองตอบความรู้สึกแต่ตัดแต่งพฤติกรรมที่มันเป็นอกุศลเนี่ยเขาไม่รู้จักยิ่งถ้าเป็นคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำอะไรที่มันไม่ดีเขาตัดออกอะไรที่มันยุ่งเหยิงตัดออก ตัดลึกๆ ล, ลงไปจนถึงตัดแต่งความคิดคนปฏิบัติธรรมนี่คือเขามาเรียนรู้วิธีตัดแต่งความคิดตัดแต่งพฤติกรรมตัดแต่งพันธุกรรมที่มันจะงอกมาเป็นพฤติกรรมแห่งความคิดเป็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยตัดแต่งความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอะไรที่มันไม่ดีเราก็ตัดก็แต่งแต่จะตัดแต่งได้นี่ต้องศึกษา นะ ต, ต, นะต้องฝึกสตินะต้องฝึกสตินะเพื่อตัดแต่งไปตัดอารมณ์ตัดความไม่ดีตัดความพอใจความไม่พอใจเพราะมันยากมากนะนั้นคนไหนที่ทําได้เขาก็เรียกว่าเป็นปราฏิเป็นมุนีเป็นคนงามขึ้นมาแต่ของเราเนี่ยสังเกตดูนะความคิดยาวเฟ้ยเลยพอคิดเรื่องอะไรแล้วก็คิดยาว นะไปติดเรื่องอะไรเหมือนเถาวันมันไปเกาะเกี่ยวใส่ไม้อะไรถางปล่อยมันไปยืดยาวไปไม่เคยตัดไม่เคยแต่งสักทีไม่ตัดมันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเป็นอนุสัยเป็นพฤติกรรมเป็นมเมล็ดพืชพันธุ์ของทุกข์นะหล่นลงเงเรื่อยมันสุกแล้วมันตกลงมามันงอกตกลงมาต้นไม้หลายๆต้ น, นเวลามันจะออกดอกเขาตัดเวลาจะออกดอกเขาตัดเป็นลูกเขาก็ตัด ตัดมันออกไม่ให้มันเป็นลูกไม่ให้มันงอกฮนะพอมัน้งอกมันก็อกุศลมันก็ไม่เกิดชีวิตนี้ก็อยู่ประมาณนั้นเขาตัดแต่งอยู่เรื่อยเรื่อรื่อเรยใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาแต่บางคนเอาเจนสุกนะพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยจนเป็นชาติชรามรณะหล่นปุ๊กลงมาเป็นกรรมเป็นพันธุกรรมเป็นพืชพันธุ์ตกมาได้ ง, งอกอีกแล้ว งอกอีกเกิดอีกนั้นพฤติกรรมตัวเองเดิมๆซ้าๆซักๆความไม่ดีไม่งามเนี่ยปรากฏกับชีวิตด้ตลอดเวลานะเดี๋ยวตัวนี้เกิดเดี๋ยวตัวนี้เกิดเดี๋ยวตัวนั้นเกิดมันเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดเรื่อยๆ เ, เ, เพราะมันปล่อยให้มันสุกไงพฤติกรรมตัวเองปล่อยมันจนสุกงอมความทุกข์จนงอมเราไม่เคยดัด ไม่เคยตกแต่งอย่างมากก็ดัดนศะีลฝึกทานศีลเนี่ยฝึกดัดมันนะเหมือนเอาลวดมันดัดมันแต่ถ้าวิปสัสสนาคือตัดตัดมากเข้าว่าเขาเห็นว่ามันรกนะชีวิตเนี่ยถอนรากถอนโคนไปเลยก็ได้เน้นจะมีสักกี่คนมาสนใจการตัดแต่งพันธุกรรมชีวิตของตัวเองเนี่ยตัดไม่ให้มันงอกตัดไม่มั น, มมนจเจริญหรือ หยุดยั้งพฤติกรรมต่อการเป็นเมล็ดเอาเท่าที่มีนี่แหละความคิดเกิดคิดเท่าที่คิดนี่แหละอย่าให้มันคิดเป็นพบเป็นชาติเป็นอะไรมากมายเลยให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันเป็นอยู่ปัจจุบันมันเป็นก็หมายความว่าดัดเอาไว้นะตัดได้เท่าไหร่ก็รักษาไว้ภาษาเขาใช้คาว่าสํารวมการสํารวมคือการดัดเอาไว้ให้มันอยู่เท่าที่มันเป็นไม่ให้มันงอกมากกว่านั้น ไม่มันปรุงแต่งไปเยอะนะถ้ามันปรุงแต่งไปยืดไปยาวความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเยอะนะเั้นคนไม่ฉลาดก็ไม่รู้เท่าทันชีวิตใช้ชีวิตไปวันวันเหมือนคนโง่เนะี่ยไม่รู้คุณค่านะไม่รู้คุณค่าว่าจะทํำยังไงนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นมานเขายังตัดยังตกยังแต่งแล้วก็จะดูดีชีวิตนี้ก็ไม่ประดับตัดตกแต่งยาี่ การศึกษาการเรียนการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราอาศัยสังคมอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีช่วยดัดนะช่วยควบคุมเหมือนเอาลวดน่ยพฤติกรรมต่างๆมัดดัดดัดดัดดัดเอาไว้แต่บางคนดัดยังไงมันก็ไม่สวยมิงานมันเป็นรูปไม่เป็นทรงให้ดัดให้เป็นรูปนักเรียนดัดให้รูปเป็นครูดัดให้เป็นรูปพระรูปพ่อรูปแม่รูปลูกอย่างเงี้ยมันดูตุ๊กตาดูต้นไม้แต่ละต้นที่เป็น ต้นพืชของสังคมเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแล้วเนี่ยคือมันไม่เป็นตัวอย่างที่มันเป็นมันรกไปบมดนะที่เรามาทําให้มันเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาเป็นอะไรก็ให้เป็นแบบนั้นอืเป็นอะไรก็ให้เป็นแบบนั้นเป็นพ่อก็เป็นพ่อจริงิงเป็นแม่เป็นครูเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นรูปแบบนั้นเขาดัดประดับตกแต่งก็เรียกวคนมีศีล นะมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติของตัวเองพอพยุงเป็นปัญหามันก็ไม่เกิดในในโลกเนี่ยแต่ต่างคนต่างไม่อยากดัดตัวเองเราอยากให้คนอื่นมาดัด เ, เนี่ยไปโทษไปตดเตียนสังคมไม่ดัดเราโทษกดและเบียบเผอิญว่าต้นไม้มนุษย์เนี่ยมันมันไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปดัดแล้วมันก็งอกงอกไวด้วยบางทีมันต้นไม้นี่เป็นต้นพิษ ทำร้ายคนอื่นเป็นด้วยนะถ้ามันไม่พอใจมันไม่ยอมให้ดัดนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราเองเนี่แหละดัดตัวเองฝึกฝนตัวเองถ้ามันไปรกเวร า, านผู้อื่นเขาผู้อื่นเขาก็ตัดกิ่งเราอะตัดกิ่งคือตัดต่อต่อว่าต่อขานตัดต่อพฤติกรรมกันกงยาวเกินไปเขาเอาเข้าคุกเข้ า, ขาตารางอะไรประมาณนะั้นคือจิตชีวิตเนี่ยจะเป็นแบบนั้น อาศัยกันฝึกฝนบ่อยๆพัฒนาบ่อยๆเราจะพิสูจน์เป้าหมายชีวิตได้คือเป็นต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นแล้วจนทั้งว่านานๆเข้ามันกลายเป็นมันเป็นพันผู้กรรมเป็นลูกเป็นหลานตกลงมาปุ๊บมันงอกขึ้นเท่านั้นพอนะมันไม่ต้องมาตบมาแต่งอะไรมันอีกแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะจากคนนี้ฝึกนี่ใส่แบบนี้ฝึกนานๆเข้านั้นเขาเป็นอย่างนั้นเลยเป็นคนดีเลยพูดเพราะ นะแสดงกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นธรรมชาติของเขาแล้วนี่นะนั้นก็ไม่ต้องประดับไปตกไปแต่งมันอีกฮนะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากอยากทําที่เดียวแล้วก็ดีคือเรื่องของใจดัดกายประดับตกแต่งกายด้วยศีล น, นะประดับตกแต่งจิตด้วยสมาธิประดับตกแต่งตัดรากถอนโคนใจข้างในเนี่ยด้วยปัญญา โดยการทําให้เกิดวิปัสนาถ้าเราทําเป็นทาถูกนะโม้ยยิ่งกว่าอการได้ต้นไม้วิเศษที่เขาเรียกว่าต้นการลประพฤกษนะต้นการละประพฤกต้นการละปะพฤกก็เกิดความดีความงามเกิดความสุขเกิดทรัพย์สมบัติมหาศาลเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ต้นนนี้มันจะ ง, งอกมันมีเราอยากได้อะไรแก้วเวน้นเงินทองอย่างไรอะไรมีหมดในต้นการลปรพฤกเนี่ย คือเป็นต้นที่ดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้วเป็นต้นแห่งความสวยความงามนี่คือต้นไม้ในพุทธศาสนาไม่แต่ใบก็ไม่มีนะมีแต่ดอกคือมันมีแต่กุศลแธรรมมันมีแต่ดอกอต้นนั้นเนี่ยใบไม่มีมองไปจนเห็นแต่ความสวยของความที่มาขัดหูขัดตามันไม่มีเลยพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีมันไม่มีในนี้งนั้นจะมีใครสักคนที่สามารถ พัฒนาตัวเองจนกระทั่งว่าดอกกลายเป็นชีวิตี่กลายเป็นต้นการผลึกนะปรากฏกับจิตตัวเองเนี่ยมันยากนั้นใส่ใจเอาชีวิตเนี่ยคนไปวัดนี่คือเขาไปฝึกตัวเองเพื่อฝึกหัดดัดพฤติกรรมนะตัดตกแต่งมันตัดเอากุศลจิตทั้งหลายทั้งปวงตัดสิ่งที่ไม่ดีแน่นออกให้เหลือแต่ ความว่างเปล่าความเฉยเฉยอย่าเรานั่งเนี่ยไม่พูดไม่คุยไม่อะไรเนี่ยเรามาเรียนรู้อนัตตาไกลๆนะเนี่ยเรียนรู้ความเป็นอนิจจังไกลๆเพราะอดทนนี่เราจิตรู้สึก อ, อ, อดทนก็ได้ไม่พูดก็ได้ไม่คุยก็ได้อดทนไม่พลิกขาไม่ไปขยับไปขยับโอ้พันทำได้อยู่เนาะเนี่ยมันเรียนรู้อนิจจังเรียน er รู้ทุกขงังเรียนรู้อนัตตาโดยธรรมชาติน้อยๆนะเรียนรู้โดยการข่มเอานักเข้านักเข้า อีกหน่อยเราจะเรียนรู้ด้วยการเห็นด้วยตัวเองเขาเรียกวาภาวนาคือเฝ้าดูและเห็นด้วยตัวเองเมื่อ น, นั้นน่ยสัจธรรมมันก็ปรากฏเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นคนเหมือนกันนะสําคัญว่าจะใช้เป็นหรือเปล่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกหรือปรากฏการ์ที่สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเราจะนํามาสอนเราเองเป็นไหมถ้าคนไหนมองธรรมชาติแล้วสอนตัวเองเป็นไม่ต้องให้คนอื่นสอน คือมองไปทางไหนเป็นครูของตัวเองได้หมดเลยอปัญญามันเกิดคนแบบนี้เอาอนุมูตนานะ